ที่ว่าอยด้วยกันเป็นพระทั้งขีทั้งอุปัชฌายาอวสุกถือว่าเป็นการลยาณมิตรและเราก็มีพระพุทพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นคุณธรรมเป็นที่ตั้งที่เป้าหมายเพื่อให้เกิดความาความดีถือว่าเป็นการทยาณมิตรคำสอนของพระเจ้านั้น เรานี่ก็เป็นหนี้บุญคุณของหลายๆอย่างเป็นหนี้แล้วก็มีพ่อมีแม่พ่อแม่ของเราก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายที่เราได้เกิดมาเลยเอาใจใส่เยี่ยงดูจนมาถึงป่านนี้เป็นผลงานของใครเป็นผลงานของพ่อแม่ นอกจากนั้นก็มีครูอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาที่หลายอย่างดินฟ้าอากาศเป็นป้าอะไต่างๆเราจะมีความดีพราอที่ใช้นี้ได้ไหมการตรวจน้ำตรวนเยตวนตรวเช้ากาเรเผยเมตตาให้มันออกมาจากจิตใจของเรา ที่มีความดีจริงๆที่ว่าออกไปมันก็นใช่นี่ทุกวันทุกเวลายิ่งเราได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอันเป็นที่ตั้งความดีคือสติสติเป็นมารดาของความดีได้มีสติไปในกายไปในใจ ให้กาให้ใจเรียนรู้จากภาวะที่รู้สึกตัวที่มีในตัวมันเองควมรู้สึกตัวอยู่ในใจความรู้สึกตัวอยู่ในกายถ้ามันใช่ผิดไปก็ให้มีความรู้เอาไปแก้ไขเปลี่ยนซ่าให้มันเป็นความรู้สึกตัวชีวิตของเราอะไรเอาไปใช้ ที่ผ่านมานี้อะไรเอากายไปใช้อะไรเอาจิตใจเราไปใช้มาที่ก็ทำไปตามสิ่งที่เป็นนายที่เป็นบังคับเราให้เราทำตามมันไม่ความุขค ว, ความทุกข์ควมชั่วควงมโกดโลกหลงมามากแ้วหลงเี่อสงไขยหลงทุกเหยื่อสงไขยทุก โจีสงไข่โกรธเคยรู้สึกตัวไหมขนาดที่มันเคยจะกนั้นขึ้นมาบทนี้เราจึงมาหาดตนสอนตนหัดใช้กายใช้ใจให้มันถูกต้องท่องสิงใดพูดถึงใดคิดถึงใดมีสติจับกายไปใช้จับใจไปใช้อย่าให้ความหลงของโกรธเอากายเอาใจไปใช้ จึงจะคุ้มค่ามันลึกเหลือเกินเป็นเหว่เป็นกลับเป็นกันเวลาเราปฏิบัติแต่ เ, เราไม่สติความหลงโชตริโรดหลงไปทางตาทา ง, ทางหูจมูกิ่างกายใจลูกรถกินเสียงโชแซงเน้าแส ง, ง, แสงหลัง ผู้มีลูกก็คิดแบบคนมีลูกผู้มีผัวมีเมียคิดแบบผู้มีผัวมีเมียผู้มีอะไรก็คิดแบบคนมีแบบนั้นไม่ได้อยู่กับผู้ฉึกตัวเลยจนเป็นจริตนิสัยไปก็มีโทสะจริต อ, อ, อะไรเกิดความโกรธหน้าโมหาจริตอะไรเกิดความหลงโง่หน้า ไม่มีความรู้สึกตัวที่จับปลายจับใจไปใช่ชเลยจึงจำเป็นต้องปฏิบัติต่อเพื่อหัดเรียนจากสภาวะที่รู้ไี่อยู่แล้วในกายในใจนั่นเองโดยเฉพาะวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่เหมือนกับตลาดนัดของความดีเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ มาจากไหนก็รูดจุกตัวเกิดขึ้นก็รูดจุกตัวเรียนได้หมดสิ่งที่เกิดขึ้นกับปากับใจเรานิ่ยเปลี่ยนมาเป็นความรูดจุกตัวได้หมดในเวลาที่เราผูกกรรมฐานเพราะมีนิมิตมีทิฏฐ์ดังกู้แขนเข้าเหยียดแขนออกรูดจุกตัวอยู่นี่มันไปไหนไมันเกิดอะไรขึ้นมากลับมากู้แขนเข้าเหยียดแขนออกก็้รูดจุกตัว ทันทีในคราวเดียวกันขณะที่มันหลงกว่าลูกขะที่มันฉุกมันทุกกว่าลูกลู่เท่าลู่ทันอย่างนี้เรียก ว, ว่าฝึกตนสอนตนจะมันคุ้นเคยจะมันเคยชินจนเป็นสาสตรเป็นศิลปะหัดละมันหัดได้มนุษย์เนี่ยมีเจตีมันหัดได้ เป็นสตร์ประเสริฐจริงๆแล้วเราก็มีโอกาสเต้มที่อยู่วัดว่าลามมีนักบวชพระสงฆ์แม่ชีอุบาสิกาวุบาสิกนาะอยู่นี่จะร่วมกันนี่ในประเทศไทยเราใครๆก็รู้พราแม่เราก็รู้ลูกชายมาบวชเป็นพระ บางทีอาจจะรู้ด้วยว่ามาอยู่วัดภูหลงลูกสามาบวชเปแม่ชีพ่าแม่อาจจะรู้แล้วเหมือนกับหวานพืชเมล็ดพืชของแม่ของพ่อคือลูกเจิงลูกชายหวานไปเนื้อนาบนุญเพียงแต่เราได้ยินว่าลูกมาบวชมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มีคนสุขบางแล้ว ยิ่งเป็นคำว่าเจ้าโยมที่มากมีความสุขเลยถ้าเราได้แสดงออกบอกความทุกความจริงให้พ่อแม่ฟังก็ยิ่งจะเป็นผลที่ดีขึ้นมาอีกดึงพ่อเดึงแม่ขึ้นจากนรกได้จูงขึ้นจากนรกไปกสู่สุคติไปสู่สวรรค์นี่พ่านได้เรียกว่าอภิชาตกุศ เป็นบุตรที่บัดเสดพ่อจะเย็นว่าลูกชายคนนี้ลูกสาวคนนี้อิ่มใจสุขใจชื่นใจเพลินใจไม่เหมือนความชั่วเวลาไหนพ่อแม่หิ ว, วามดีของลูกไมไ่หิวข้าวหิวอะไรหรอกหิ ว, วามดีของลูก้าลูกเป็นคนดีพ่อบอกอิ่มใจ อิ่มใจแต่พระแม่อิ่มใจพระลูกเราก็ถือว่าเราใช่หนี้อุดมวินอุทิทย์นมาดาเิตามาดาเปทาอุปัฏาดะไรที่เราตนหน้ามันก็สมที่เราได้ซ้อมลงไปว่าลงไปทั้งใจเรามันถึงกันลูกเป็นยังไงแม่เป็นอย่างนั้น ยิ่งเราได้มือได้แขนได้ขาได้กายได้ใจมานี่งเป็นสมบัติของพ่อของแม่แลาจะไปคิดเชื่อไม่ได้สงสารพ่อแม่และจะไปทำเชื่อไม่ได้สงสารพ่อแม่หัวใจดวงนี้เป็นของพ่อของแม่พ่อแม่ไม่อยากให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราเป็นทุกข์ถือว่าคมขืนหัวใจของพ่ อ, อแม่ คายก็เหมือนกันของพ่อของแม่ไปท้อมชั่วผิดิีนเป็นทรมก็เรียกว่าคมเขินหัวใจของพ่อของแม่เก็บปวดจึงเป็นการตอบแทนบนคนที่ถึงเนื้อถึงตัวมีายมีใจที่สุดได้จากเลือดสาเดือดกอันเดียวกันมีพ่อมีแม่จริงๆพวกเรานะพราฉะนั่น ยังไงเ็นก็ต้องมีหลังอย่างนี้พวกเราให้ฝึกตนสอนตนตอนักควรเฉลยตัวเองตามนักควรเฉลยทำผู้ดใดตั้งใจฝึกตนสอนตนก็จะมีผลเกิดขึ้นตามนักควรเฉลยผู้ปฏิบัติตัวไขตัวมันไม่มีใครช่วยกันได้